วะลังอิมุนฮาลิมนั้นคือและผู้ที่ถูกตัดสินด้วยสิ่งที่ถูกต้อง ب ั้นคือและผู้ที่ถูกตัดสินด้วยสิ่งที สุ่มมะบุรีย์อ้ายทุมมะบุรีย์อ้ายไม่ย้อนศรนนห์ของข้าทุมมะบุรีย์อ้ายไม่ย้อนศรนนห์ ن الله لعفو غفور. <مه> ذلك بأن الله ي ُ ل ُِ الليل. ذلك بأن الله ي ُ ل ُِ الليل. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. وأن الله سميع بصير. وأن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. อินนัลฮะมดุลิลลาห์นะฮ์มดุห์วะ ه ัสต่างีนุห์วะนัส و ักฟิรุห์วะน้าอุบิลลาฮิมินชุรุริอัมฟุสินะวะมินไซยะต์อัลมาลินะมะยัฮ์ดิลลาห์ฟะลามุดลลัลละวะมะยูดลลิลฟะลาฮัดิลละวะชัลล لل ه าหูอัลฮะห์ูลาชาริกัลละวะชัลลูอันมุฮัมมัดะน์ะบดุห์วะรัสูลุัลลาหูมับิกะอัล ว ا ن ิกะอัมไซนะวับิ ب ِ ك َพย م วั ت ิ ا ل นามุตุวะอิลัยกันนุษย์อัลอูซุบิกะล ا มِติลลาฮิตามัติมินชัลริมาขอลักบิสَิลลาฮิลลาดิลลาฮิยุดุร์มาอัลมَฮิชาอิอَมฟิลอِรَดีวลาฟิสส์มาห์วะฮ์วะสัมย์อัลกาลิมรดีดุบิลลาฮّรับบะ ا ل ْบิลอิสลามดِ ي ่าวับบิมุฮัมَัดอิลรัสูละ ا ل ل ه h u m a أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر a ل l a h u m a f i في بدني و ع ف ي ن ي في سمي و ع ف ي ن ي في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่น้องที่ร่วมนมัสการที่รักทั้งหลายครับ คือความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และุตอาตาอัลล์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาดวงอี่เราขอบคุณ Allah, อัลลอ์ก็คืออัลฮ mm ัม hmm. ดุล ah am ิลลาฮิลลาดอัจฮยานาบะดามะอามะตานาวะอีไลฮินนูชนะครับทุกคนต้องกล่าวขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้นอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ขอบคุณอัลลอ์เฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยเรานมาสุบรพร้อมกันเสร็จแล้วก็อ่านอัลกุรอานพร้อมกันเรามีคำอธิบายวันนี้มีอยู่4ีอายาด้วยกันตั้งแต่อายาที่ห8ถึงอายาที่ห1อดขอบคุณอัลลอ์การนั่งในมัสยิดของอัลลอ์แล้วก็เอากุรอานมาทบทวนนั่นเป็นอามันที่ีซอหละ เป็นงานที่ประเสริฐถ้าได้ทำกันทั่วประเทศก็จะดีมากเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามาอ่านอายะที่57จากสูรอัลฮัจนะได้ข้อสรุปเป็นอย่างนี้วัน ล, ละีนักฟารูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธ เขาว่าปฏิเสธหมายถึงหันหลังให้กับอัลลอ์หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับสุนนะนบีวกาซซาบูและยังยังปฏิเสธพูดว่าของที่อัลลอ์ส่งมานั้น่ะเป็นเรื่องโกหกไม่จริงฝ่าอุลาอีกาล่ฮุมอาซาบุมูฮินสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคือการลงโทษอันอับปยศ มูฮีนแปลว่าต้อยต่ำต้อยเป็นการลงโทษที่ไร้เกียรติตับซีนนักตับซีนและหลายหลายอัลลอ์เขาอธิบายว่าคนที่ตกนรกแล้วเนี่ยนะต้องถูกลงโทษอีกความจริงลงนรกเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วแต่เมื่อลงไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ยถูกลงโทษอีกสองรายการ ก็คือคนที่มีเงินมีริสุีเยอะๆบนโลกดุนยาเบนี้เสร็จแล้วก็ลืมที่จะจัดการเรื่องอากาศลืมจัดการเรื่องสซลก้ลืมจัดการเรื่องฮาดีลืมจัดการทรัพย์ของเสีทรัพย์สินของเราที่เอาล็อให้มานี่แหละเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าวกาฟสีรายการเนี่ยไม่เคยนึกเลยในวันเกียม ถูกลงโทษโยนลงไปในไฟนระกแล้วยังไม่พอยังมีรายการอื่นอีกอะไรรู้ไหมอัลลอฮจะเอางูเนี่ยทรัพย์สมบัติของเขาที่เราที่เขาสะสมไว้ในธนาคารเป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านเนี่ยนะจะกลายเป็นงูมารัดคอเขานี่นบีอธิบายต่อข้อที่สอง ซัพ ส, สมบัติของเขาที่เขาสะสงไวกลายเป็นงูอะไอย่างไม่พอกลายเป็นเหล็กอีกนาบกับไฟร้อนๆนะครับเราเอามาแปะที่หน้าภากเอามาแปะที่สีข้างและเอามานาบที่กลางหลังของเขาผมก็อ่านว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาแปะที่ใบหน้าก่อนแล้วก็สีข้างที่หลังแล้วก็กลางหลังที่หลังอ่ะเพราะอะไรคำอธิบายก็คือเวลาอัลลอฮ์เนี่ยเสนอคำสอนมาเนี่ย เขาเบินหน้าหนีฉะนั้นเอาแหลกร้อนเนี่ยไปแปะอานาบที่ใบหน้าก่อนเลยที่หน้าผาก่อนพอเอาหน้าผินหน้าออกแล้วนะให้ให้สายสีข้างตามาอกีกก่อนหน้าตีสีข้างอีกแล้วก็สูตรก็าหันหลังให้ก่อนหน้าบหลังอีก เพราะว่าปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลานี่พูดสาหรับคนที่มีฐานะการเงินดีๆบนโลกใบนี้ฉะนั้นตกนรกมันก็หนักอยู่แล้วแถมยังถูกเล่นนในนรกต่ออีกสองรายการรายการที่หนึ่งถูกอะไรนะถูกกลายเป็นงูมารัดคอของเขาแล้วก็มีเขี้ยวเนี่ยอัลลอฮมันทรมานสุดๆแล้วก็ เวลางูรัดคอมูว่างี้อานาการซุกะอนามาลุกะฉันนี่เป็นทรัพย์สินของท่านนะฉันฉันนี่เป็นกองขานของท่านที่เก็บเป็นธนาคารพันล้านร้อยล้านไม่ได้จ่ายสกัดไม่ได้จ่ายซัลตก้อไม่ได้จ่ายฮัดเดียไม่ได้จ่ายว่ากัฟเห็นไหมข้อที่สองพี่น้องครับกลายเป็นเหล็กร้อนๆเนี่ยมานาบที่หน้าผากมานาบที่สีข้างมานาบที่กลางหลังของเขา นี่ผลจากคนที่เอาละให้ริสกีบนโลกดุนยาใบนี้แล้วไม่ได้รูดูแลคนยากคนจนคนด้อยโอกาสัมดูแลนี่เป็นความรู้สาหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เดินตาม Al an, อัลกุรอานเถอะพี่น้องมันสบายใจมีเงินก็สบายใจพาเราไปสวรรค์ก็ได้และมีเงินพาเราตกนรกอัสตัลฟิรุลออัสตัฟิรุลออย่าไปมีเงินแล้วพาเราตกนรกเลยนะครับ วันนี้มาอายะที่ห้าสิบแปดนะครับวันละีนะฮะจะรูฟีซาบิลลัลซุมมากุติลูเอามาตูลายรุกันนะฮุมุลลอฮุริสกอนฮัสซานา وَإِنَّ اللَّهَ وا ل َ هُوَ خَيْرُ ا ل ر َّ ا ز ِ ق ِ ي ن َ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ث ُ م َّ ق ُ ت ِ ل ُ و ا أ َ و ْ م َ ا ت ُ و ا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ ا ل ر َّ ا ز ِ ق <ist> ِ ي ن َอล h a د d u l i l l a h ความรู้จากอาย่านี้อัล hamdulillah พี่น้องดูคำแปลครับว َالَّذِينَ แปลว่าบรรดาผู้ที่ฮารูแปลว่าผู้อบพยพพวกเขาอบพยพบรรดาผู้ที่พวกเขาอบพยพ คนอบพยพเนีย่ยรู้รู้เนี่ยมัเป็นยังไงลำบากอยู่ในบ้านเมืองของตัวเองเกิดที่นี่อยู่ตรงนี้แล้วต่อมาถูกให้อบพยพ บ, บังคับให้อบพยพหรือว่าอบพยพตัวเองมีสองความหมายแต่ตรงนี้นะอบพยพตัวเองออกจากบ้านตัวเองออกจากประเทศตัวเองออกจากจังหวัดตัวเองไปอยู่ที่ไหนครับ ฟีซาบีลนนี่ตั้งใจออกออกไปไหนครับพิจราะตัวเองออกจากบ้านของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงไปปกป้องาศาสนาคนหนุ่มคนสาวหรือแก่ก็ได้ไปน้องอพยพตัวเองนึกถึงวันนี้มีศัตรูมาเล่นงานมาทำร้ายมารังแกมุสลิม เราก็ออกไปปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาบูอฺเรื่องใหญ่มากครับเอาละทหารไม่มีการไม่มีการสงครามพี่น้องแต่เราพอพยกตัวเองแบบไหนครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ก็ฮิจรร้อนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงจากเราที่ไม่เคยสนใจาศาสนามาสนใจาศาสนานี่ก็ฮิจรร้อนจากความชั่วมาสู่ความดีไม่เคยมานะมาที่มัสยิดเลย มาเฉพวันศุกร์อ้าวเปลี่ยนใหม่หัวพยพตัวเองเปลี่ยนมานมาตสุบกกร อ, อิชากอนแล้วก็จูฮดแล้วก็อั ส, สรีแล้วก็มาร์กิรค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากเรื่องไม่ดีมาสู่การงานที่ดีนี่ก็ฮิจเราะเหมือนกันแต่ฮิจเราะที่อัลลอฮฺกล่าวนะครับก็คือฮิจเราะออกจากบ้านตัวเองครอบครัวตัวเองทิ้งลูกทิ้งภรรยา ออกไปปกป้องงานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาะครับทีนี้พอออกไปแล้วเป็นไงครับซุมมากูตีรูการออกไปเนี่ยมันมีอย่างนึง่งไม่ตายก็ชนะสงครามไม่ตายก็แพ้ถ้ากูตีรูไปว่าถูกทำให้ใจนะถูกถูกฆ่า เวลาถูกฆ่าต้องนึกภาพอ๋อคนถูกฆ่าเนี่ยถูกระเบิดเนี่ยถูกปืนเนี่ยมันน่าจะเจ็บเยอะนะแต่ไม่เจ็บครับท่านนาบี ม, มุฮัมมัดสลอมสลัมอธิบายบอกว่าคนที่ถูกฆ่าในหุนทางของอัลลอฮ์นั้นมดมดแดงกัดเจ็บกว่าหน้าออกนะมดกัดเจ็บกว่านี่ใครบอกนะนบี ม, มุฮัมมัดสลอมสลัมเล่าในฮะดีษให้ฟัง อัลลอฮ์บอกกับยิบรีตมาบอกกับนบีถูกฆ่าในหุนทางของอัลลอฮ์คนมองน่ยมองดูด้วยหน้าสงสารสงสารอัลลอฮ์ข้ากบัดดูสิมันถูกระเบิดเนี่ยตายแต่ที่ไหนได้มดกัดเจ็บกว่าอัลลอฮ์ข้กบัดนี่ถ้าไม่อ่านทัดดิสนะไม่รู้เลยถ้าอ่านทัดดิสปั๊บเนี่ยโอ้โหกำลังใจมาเยอะเลยแท้จริงผู้ที่ อบพยพในหุ่นทางของอัลลอ์และเขาทั้งหลายถูกฆ่ากูตีลูแปลว่าถูกฆ่านะครับโดยอาวุธโดยปืนด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ของหนั ก, นกๆแข็งๆแล้วก็เสียชีวิตพี่น้องอย่าลืมนะมดกัดเจ็บกว่าต่อมาครับเอามาตูออกสงครามแต่ไม่ได้เสียชีวิตกลับมาบ้านแบบสง่า ง, งานพี่น้องชนะสงครามด้วย ได้แ้นะได้ทรัพย์สิสนได้เฉลยมาได้ของเต็มไปหมดพี่น้องแล้วก็มาตูมาตายโดยธรรมชาติเข้าโรงพยาบาลตายเป็นโรคตายเขาเรียกว่ามาตูถ้ากูติลูนี่ถูกฆ่าตายมาตูหมายถึงตายโดยธรรมชาติ ไอ้ตายธรรมชาตินี่เราก็ขอดุอยาอยาาให้ตายดีๆตายดีมีอะไรกครับตายขณะที่กำลังสุญุดในมัสยิดอัลหัมดุู่นล่หะตายดีขณะที่ครองชุดอิหรอมอัลลอฮุักบัตยิ่งใหญ่ใครที่เสียชีวิตเพราะถูกฆ่าในสนามรบพี่น้องทราบไหมในทุ่งมัสชัดในทุ่งมัชัดนะ วันที่อัลลอ์ให้มันไหก้าวเป่าสังเป่าเนี่ยที่เป่าเพราะเป่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยตายหมดเป่าครั้งที่สองฟื้นหมดคนที่ฟื้นมาจากสุสาขนขณะที่เขาฝังฝังเขาอยู่ในสงคราม ไ, นไปน้องเลือดนี่ไหลไปน้องแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฝังอย่างนั้นแหละนะในวันกียวมาเวลาเขาฟื้นขึ้นมานะเลือดยังติดอยู่ที่ตัวของเขา ไม่มีกลิ่นเหม็นครับน บ, บีอธิบายบอกว่าเรฮูเรฮูลมิสกีกลิ่นของเขากลิ่นเลือดนั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นของชมพู่เชียงก็อีกทำดูเลยล่ะกลิ่นเลือดธรรมดาเลือดมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมแต่ที่ไหนได้เลือดของคนที่ตายเฉียดในวันเกียมมากลายเป็นน้ําหอมหมดเลยครับหอมหอมหอมหอมหอมแล้วก็คนที่ตายขณะที่เขากําลังทําคลองชุดอยหรอม ตอนตายเขาตายขนาดที่ชุดเอฮารอมอยู่บนร่างของเขาสองผืนผ้าขาวผืนนุ่งกับโผมนี่นะครับวันฟื้นคืนชีพของเขานั้นเขามาในชุดเอฮารอมแล้วก็ว่าไงครับละไบกะลอฮฺมะละไบละไบกะลาชาริกกะลาละไบอินนัลฮัมดะวันนี้อัลมาตาละกับวันมูลละชาริกกะลาอัลละไบเลยพี่น้อง ตาลบียเลยไปร้องเข้มะฉะนั้นสองรายการ น, นะครับตายขณะที่เขาถูกฆ่าในสนามรบเวลาฝังเขาฟื้นขึ้นมาเลือดของเขากลิ่นหอมหอมหอมหอมหอมหอมแล้วคนที่ขอชุดีาหาร์ไปร้อนแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ฝังเปน็นเวลาฟื้นขึ้นมาละไบกะลอมาละไบสง่างามไหม นี่ใครสอนนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสอนไม่ใช่ต่อยสอนนบีสอนใช่ปีน้องทมดุริเลอร์ชิโนงเอาส่วนล้ว่าถูกฆ่าตายดีไหมดีเจ็บไหมไม่เจ็บครับอะไรกัดกว่าครับอะไรเจ็บกว่ามดกัดเจ็บกว่าก็ลองลองดูลองดูลอง ด, องดูไม่มีใครกล้ายกมือสักคนเลยนะเอาต่อมาครับซุ่มมาเอามาตูหรือว่าตายโดยธรรมชาติ นะครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดต้องตายทุกคนคนสองประเภทนี้เวลาตายเป็นยังไงครับลายัดซุกอนนาหูมุลลออัลลอฮ์ลายัดซุกอนริสกีน่ะลายัดซุกอนนาหูมุลลอแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานเครื่องยั่งชีพแน่นอนมีกอนหน้าเนี่ยลายาดซูกอนหน้า Allah จะประทานเครื่องยั่งชีพให้แก่เขาเหล่านั้นแน่นอนอัลลอฮฺ Allah, อักบาร์อา้าริสกีหลังตายนะ่ะเป็นยังไงพี่น้องริสกีก่อนตายก็มีบ้านมีภรรยามีที่ดินมีรถมีลูกเห็นไหมมีอิสลามมีอีมานพี่น้องมีอาหารมีเครื่องดื่มนะ่นริสกีก่อนตายถ้าริสกีหลังตายล่ะอัลลอฮฺอักบาร ริสกีหลังตายนี่สวรรค์ใช่ไหมเห็นหน้ามาละอีกกาอัลลอฮฺูอักบัตเห็นของดีๆรางวาัลตอบแทนที่อัลลอฮให้ก็คือสวนสวรรค์ที่อัลลอฮจะตอบแทนให้นะครับลายอดูกอนนาฮมลลออัลลอฮจะประทานเครื่องยังชีพริสกีแก่เขาทั้งหลายริสกีมีกี่อย่างครับ ริสคอนฮัสนาเครื่องยังชีพที่ดีฮัสันแปลว่าดีก็คือสวนสวรรค์ครับสรุปง่ายๆสวนสวรรค์อัลลอ์ให้วิญญาณของเขาเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮานาหูวาตาลาพอเข้าไปแล้วได้กินผลไม้อร่อยอร่อยรสหวานๆวานอัลลอฮอักบัดลาริสกอนฮัสนาเป็นเครื่องยังชีพที่ดีนี่ ผ ล, ลบุญรองรับสำหรับคนที่ออกทำงานในหนทางของอัลลอฮ์ถูกฆ่าหรือไม่ถูกฆ่าก็กลับมาตายที่บ้านแต่ตายในสภาพธรรมชาติพี่น้องครับเขาได้ริสกีของอัลลอฮ์ดูแลชีวิตของเขาหลังตายว่าอินนัลลอฮลาหวะคอยรุรริกี ว่าอินนั่ลลอฮฺแหลแท้จริงอัลลอฮฺอินนาแปลว่าแท้จริงนี่ถ้าเราได้สับนะทีละคำสองคาจําได้ความรู้เยอะพี่น้องว่าอินนาแปลว่าแท้จริงแท้จริงอัลลอฮฺลาหัวคอยรุนลาหัวอัลลอฮฺเป็นผู้คอยรุนดีที่สุดเป็นผู้ที่ดีที่สุดในเรื่องอะไรครับอรารอซีติน ผู้ประทานเครื่องยังชีพที่ดีที่สุดไม่มีใครนะครับที่จะให้เครื่องยังชีพแก่มนุษย์น่ะดีไปกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีแล้วอัลลอ์เนี่ยนี่อัลลอ์พูดชมตัวเองนะเพื่อให้คนที่ <c oughs> คนที่เป็นบาวอัลลอฮ์ที่อยู่ในศาสนาของอัลลอ์เนี่ยที่อ่านอัลกุรอานที่ใช้ชีวิตอยู่กับอิสลามที่ใช้ชีวิตอยู่กับอีมาน แล้วก็ทําความดีอามันที่ซอยแล้วแล้วเขาตายในคนทางก็อัลลอฮ์รู้ตายธรรมดาก็ตามเขาได้รับริสกีจากอัลลอฮ์สม่ําเสมอและเป็นริสกีที่ดีด้วยไม่ใช่ริสกีที่ไม่ดีริสกีที่ดีก็สรุปว่าคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในสวรรค์มีอะไรบ้างนะพอเข้าไปแล้วในอัลลอฮ์ไม่อยากออกแล้วพี่น้องลืมดุนยาเลยนะ คำว่าฮารูฟีสบิลล่าเนี่ยหมายถึงออกไปทำงานศาสนาให้อิสลามเจริญไปสอนศาสนาให้อิสลามให้ผู้คนเนี่ยมารับอัลอิสลามเพิ่มขึ้นพี่น้องรู้เปล่าคนที่จะทำความดีเนี่ยในครอกุรอานที่จะผ่านมาจําได้ไหมล่ะเวลานึกจะทําของของดีดนในไข่มะขวางฮะ ใช้ตอนมาขวางอ่ะฉะนั้น <c oughs> ขนาดนาบีนะบรรดา น, นาัลลทั้งหมดที่มาในโลกเนี่ยนึกจะทำความดีนึกจะไปเผยแผ่อิสลามให้มุสลิมจเริอมในก้าวหน้าให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นใครมาขวางครับใช้ตอนมาขวางอ่ะอย่าลืมนะมีใช้ตอนมามาขวางด้วยนะแต่ขวางสาเร็จไหมบางคนก็สาเร็จส่วนใหญ่ไม่สาเร็จอลัลลอฮ์เล่าเอง อัลกษัยตอนฟีอุมนี่ยาติฮีใช้ตอนมาขวางเขามายุยงว่าเองอย่าออกเห็นไฝายันสกุลล้อแต่อัลลอ์จะลบล้างถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์อัลลอ์บอกอาอะไรก็เอใส่ก็ชาตอนไปไปไไปล่ไปเลยอัลลอฮ์ลบล้าง ช่วยเรานะช่วยคนที่อีหมานหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และเข้มข้นกับววอัลลอฮ์สุบฮานาอูวัตอัลลอฮ์ช่วยครับอุลมะอธิบายดีคำว่าริสกีเนี่ยไม่ใช่ความหมายเฉพาะอาหารการกินอย่างเดียวนะคำว่าริสกีในเต็มซีอิบนูกาเซ่นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องดื่มอาหารการกินอย่างเดียวนะครับความสุขด้านอื่นๆ อ, อ, อีกอัลลอฮ์ให้กับ ให้กับคนที่ตายในคุณทางของอัลลอฮ์กับคนหรือตายแบบธรรมชาตินี่แหละแต่หัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอะ์อยู่กับศาสนาอัอิสลามอัลลอฮ์จะให้โหรชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่มีบราระกัดมากเลย Al อัลฮัมดุลิลลาห์ตัวลงว่าตายดีใช่มัมงานเนี้ย Al อัลฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาอายาที่59แสิก่อนมีอกคาดิสหนึ่งอ่านให้ฟังนะ ท่านซัลมานอัลฟาริซีเนี่ยได้รายงานบอกว่าฉันได้ ย, ยินท่านอ ส, สุลลอห์สุลลามลลลลลลที่เป็นฮัดติสนะว่าท่านนาบีกล่าวว่ามันมาต่มูรอบิตันใครที่เสียชีวิตขณะที่เขายืนเป็นทหารเฝ้าตามชายแดน ต้องเป็นรัฐาอิสลามนะปกป้องศาสนาอิสลามของอัลลอฮเวลาเขาตายภาพเนี่ยอัลลอฮจะให้รางวัลกับคนที่ตายให้รางวัลไม่พอให้ริสกีเห็นไหมหนึ่งรางวัลสองริสกีริสกีหลังตายก็คือเราไม่รู้อะไรนะ จะกินแบบเราหรือเปล่าวันล้อนไม่รู้แต่อรลอนเล่าไปฟังนะมีริสกีเพิ่มให้กับคนที่หลังตายไปแล้วแล้วก็มีรางวาัลอีกข้อที่สามว่าอามีนามินัลฟะตานนฟิตหนะต่างๆเรื่องลำบากต่างๆเนี่ยเรื่องการทรอมานต่างๆหลังตายไม่มีโอดีมหมเนี่ยมีรางวาัลด้วยมีริสกีด้วยแล้วก็ฟิตหนาการทรมานใดๆหลังตายจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ ตายในหุณทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตะอานานะครับแล้วก็ถ้าหาก ส, สงสัยอัลลอฮฺูดว่าถ้าจะสงสัยว่าอัลลาอฮฺจะดูแลคนที่ตายเนี่ยตายในสนามรบเนี่ยจริงหรือเปล่าให้อ่านสุ ร, ร้อนอันอาย่า น, นี้นี่ยวัลละดีนะฮะจารูฟีซาบิลลัลซุมมากุติลูอมุมาตู ลัยร ز z ق ٓ نَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ رَزْقِينَ เอเมพี่น้อนนบีเองน่ะสั่งให้เราอ่านกุรานถ้าสงสัยว่าคนที่อยู่กับศาสนาอิสลามถูกฆ่าหรือตายธรรมดานี่นะ่ะเขาได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยอ่านกุรานอายานี้อิหมานจะได้เพิ่มขึ้นนะเจ๊ไหม a l l h a u l i l l a h ขอบคุณ Allah s u b h a n h u w a t hey, a ah a l a ท่านในะอะไรฟาลิซีน่ะ Salman ฟาลิซีเนี่ยเล่าว่านบีเล่าให้เราฟังนะครับเอาต่อมาครับล a yud k ค i l a n n a h u m l i r bauna وَإِنَّ اللَّهَ ל ุ يدخِلَنَهُمْ مُدْخَلِ يَرْضُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ الحمد لله لا يدخِلَنَهُمْ พระองค์ให ah um. ้เขาทั้งหลายเข้า ให้พวกเขาเข้าลายุธคีลันนะพวกเขาเนี่ยจะถูกให้เข้าใครให้เข้าอ่ะเข้าเองไม่ได้หรอกต้องอัลลอฮฺอนุมัตินะครับพวกเขาจะถูกให้เข้าลายุธคีลันนาหุมแน่นอนพระองค์จะให้พวกเขาทั้งหลายนั้นเข้ามุดคอลันแปลว่าทางเข้ามุดขอลหรือมัตคอลแปลว่าทางเข้าพี่น้อง ทางเข้าแบบไหนครับยาร์บาวนาหูซึ่งพวกเขาทั้งหลายพอใจรีบอยาร์บอไปว่าพอใจแน่นอนพระองค์จะให้พวกเขาทั้งหลายนั่นเข้าในทางเข้าที่พวกเขาทั้งหลายพึงพอใจยาร์เดานาหูพึงพอใจให้ได้ริสกีแล้ยังไม่พอพี่น้องอายาทีแร้ววันนะ ได้รับบริสุทธที่ดีเป็นเครื่องยังชีพที่ดีพูดที่ให้คืออัลลอ์ยังไม่พอครับเวลาเข้าเนี่ยทางเข้าหรือที่เข้านี่พี่น้องเป็นที่เข้าที่เขาทั้งหลายเห็นแล้วพอใจอัลลอฮ์พี่น้องพอเข้าภาพนี่พอใจเลยไม่ตำหนิ ต, ตรงไหนเลยพึงพอใจทุกรายการที่อัลลอฮ์ให้เขาเข้าไปอยู่ก็คือเมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอ์แล้ว ทุกคนพอใจหมดเลยเราอยู่บนดุนยาเนี่ยหาร่วมตายบังทีก็ไม่พอใจใช่หรือไม่ใช่ไปเลือกมันยังดีเลยพอเพราะธรามาชาติจะสองวันเอาหอจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้อา้าวต้องอยู่กันไปจนกว่าจะตายจะเปลี่ยนบอยชาวบ้านกับตนิดูมันได้มันมาดูมันปล่อยทิ้ง อยู่บนดุนยานะ่ยมันได้มาแล้วแสวงหายอยากได้สิ่งนี้พอได้มาแล้วพอใจไหมใช้าได้ทีสองทอีอยากจะโยนทิ้งก็โยนไม่ได้ <c ười> คิดเองพี่น้องผ่านมาหมดแล้วดุนยาใช่ไหมแต่ในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นพอได้มาแล้วพอใจทุกรายการทำดุริเลอร์พี่น้องนี่บางคนสร้างซ่วม สางส้วมในห้องน้ำอะนะคือนบีน่ะสั่งว่าอย่าหันหน้าไปทางอะไรนะกิบลัดอย่าหันหน้าไปทางกิบลัดอย่าหันหลังไปทางกิบลัดแตนี้เมื่อเราสร้างไปแล้วในห้องน้ําหมืนกัคนคาเฟ่น่ะสร้าง บ, บ้านเราใช่ไหมล่ะเราก็ลืมบอกทําไมก็สร้างหันหน้าไปทางกิบลัดทาไงอะ่ะก็ต้องปล่อยมันไปถังพอใจไหม เ้าก็ไม่พอใจอ่ะก็ต้องอยู่ใช่ไหมอาจจะรื้อทุกไม้ก็โอ้ย อ, อ, อ, อยู่ปอยู่ปอยู่คนไปแต่ว่านาบีก็อ่านอนุญาตให้นะคนที่สร้างห้องน้ําในบ้านแล้วก็หันหน้าไปทางกิบหลักเนี่ยถ้ามีกําแพงกั้นอยู่นอนุญาตให้ทําได้แต่ถ้าไปถ่ายกลางทุ่งหรือที่โลง่ลงๆว่างๆนะห้ามหันหน้าไปทางกิบหลักเพราะระวังนะมันจะมีมีสารชนิดหนึ่งนะ ที่ออกพยากบ้านเนี่ยไปทั่ว่วกหมดเลยนะถ้าไปถูกอาวัยวะเพฒนเมื่อไรนะมีปัญหานะมีปัญหานะนกเขาไม่ขึ้นนะอันตรายนะนั้นต้องระวังตัวให้ดีนะอย่าทำอะไรฝืนคำสั่งของอัลลอสุบฮานาหูวาตาลอ่ะทีนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระองค์ได้ให้เขาทั้งหลายเข้าเป็นทางเข้าที่ภูเขาพึงพอใจมาจึงเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ ว่าอินนั <k <K <K <K ่ลลอฮฺและแท้จริงอัลลอฮละอาลีมุอาลีมแปลว่ารอบรู้ยิ่งอัลลอฮเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งฮาลีมฮาลีมแปลว่าผู้ทรงอดทนขันติยิ่งอัลลอฮฺอัลกบะดอัลลอฮมีสองมีสองสิ่ัตด์ในอายานี้นะคนจริงสิ่ักด์อัลลอฮมีทั้งหมดเท่าไร่9กพระนาม แต่อายาน่นี้รายงานเพียงสองลักษณะคือผู้ทรงรอบรู้เมื่อวานนี้ผมไปไปสอนที่อันยูมันมีคนถามบอกว่าใครที่สอนว่าอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนบันลังของอัลลอฮ์นั้นเป็นการสอนที่ผิดอัลลอฮ์ต้องอยู่ทุกหนทุกแหง่งนั่นเป็นการสอนที่ผิดนะ อัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแหนะ่งนั้นไม่ใช่นะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อาราชของอัลลอฮ์และอาราชของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่บนชั้นฟ้านี่เป็นความรู้จากอัลกุรอานส่วนอัลลอฮ์รู้เนี่อรู้อยู่ทุกหนทุกแห่งมนุษย์จะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็ตามอัลลอฮ์รู้หมด3มรายการหนึ่งรู้สองเห็นสได้ยิน เขาพูดอะไรได้ยินหมดเขาทําอะไรไเห็นหมดโดยต้องไม่ไม่มีสื่อนะไม่มีสื่อเลยเอาล้อเห็นเลยไปน้องสามรายการทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินแต่อัลลอฮ์เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์บัลลังของอัลลอฮ์อยู่ในชันฟ้านี่เป็นอัตีดาบของชาวสลัฟซัฮา บ, บานในบีเชื่อแบบนี้นะครับบรรดาซัฮาบานในบีมีมีเป็นแสนคนเชื่อแบบนี้ครับแต่มาตอนหลังนี่กลุ่มอัชอารีอัชอารี มาเชื่อบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนชนั้นฟ้าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งนี่เป็นความเชื่อของไมชใช่ชาวสลับนะชาวบ้านธรรมดานะครับไม่ใช่แต่ชาวสลับบรรดาอัลฮบา น, นบดุลเบีเชื่อว่าเชื่อตามกุรานอัลลอฮ์อยู่บนบาลังบาลังของอัลลอฮ์อยู่ในชนั้นฟ้าแต่ความรู้ของอัลลอฮ์นั้น e อ e r y w h e r e นะครับความรู้ของพระองค์การเห็นของพระองค์การได้ยินของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งมนุษย์มีประมาณเจ็ดพันกว่าล้านเองเยอะนะในสายตาเราแตว่าเยอะนะจากน้าอัลลอ์น่ะอ้าประทับสถิตอยู่บนชั้นฟ้าอาสถิตอยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบรลังของอลัลลอ์นี่เป็นความรู้เป็นอติดาที่ถูกต้องใครเชื่อแบบนี้นบีสอนให้สหายเชื่อแบบนี้ ะแะว่าอินนัลลอฮาลีมุนฮะลีมละอัลลอฮเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอดทนผู้ทรงขันติโดยแน่แท้คำว่ามุดคอลันยาดดาวนาหูเนี่ยแปลว่าอะไรครับคือสวนสวรรค์เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์เป็นที่พึงพอใจนะ คำว่าอาลีมุนเนี่ยอลัลลอฮ์ทรงรู้ไม่ว่าจะเป็นที่รับที่แจ้งคนมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะครับแล้วคําว่าฮารีมุล น, น่ะอธิบายได้สี่อย่างนะครับคําว่าฮารีมอลัลลอฮ์ทรงอดทนเนี่ยอธิบายยังไงอลัลลอฮ์ทรงมีความขันติอดทนสูงอธิบายอย่างงี้หนึ่งอลัลลอ มีสุภาพเป็นผู้อดทนไม่รีบลงโทษเบาของอัลลอ์ที่ทำอะไรผิดนะอัอลลอ์ไม่รีบลงโทษนะคนที่ไม่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์รีบลงโทษไหมไม่รีบลงโทษครับแต่ปล่อยให้เขาเนี่ยได้ปล่อยประวิงเวลาไว้จนกว่าเขาจะตายดีไหมเนี่ยดีนะขอบคุณอัลลอฮ์นะจะนั้นไรใครรู้ว่าตัวเองผิดอยู่ตอนนี้นะ รีบกับเนื้อกับตัวหันมาเรียนศาสนาซะนะครับข้อที่สองอัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องมองข้ามอามองข้ามไปชั่วระยะหนึ่งอมองมองมองข้ามอันที่สทรงให้อภัยในความผิดของพวกเขาประวิงเวลาเอาไว้ก่อนข้อที่สยกโทษให้พวกเขาถ้าขาพวกเขากับเนื้อกับตัวมาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์มารู้จักอัลลอฮ์ Allah, มารู้จักสุนนะนบี มารู้จกักกุูอ่านอเล็กก็จะอภัยโทษให้คำว่าฮาลีมุนมีอยู่สีความหมายด้วยกันจากตัมซิดอิบนะครับมีอยู่สีความหมายด้วยกันอต่อมาจะเล่าเรื่องสวรรค์ครับ <c oughs> ในสวรรค์นเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ข้อที่หนึ่ง <c oughs> ว่าอิยารอไอตาซามมารอไอตาไนมวาวมุลกังกบีโรจาอินกอานะ กรอานอธิบายกุรอานเล่าเรื่องสวรรค์เมื่อท่านเมื่อนบีมุฮัมมัดมองดูเห็นสวรรค์ท่านจะเห็นว่าในสวรรค์นั้นมีแต่ความการุณาปราณีแล้วก็ในสวรรค์นั้นเป็นอาณาจักรอันไพศาลเป็นอาณาจักรใหญ่กว่าโลกดุญญนยาใบนี้ใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นในสวรรค์ครับ ใหญ่กว่าโลกดุนยาใบนี้ความกว้างของมันใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเห็นยังครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เลยในสวรรค์นะข้อที่สองข้อที่สองนะครับในสวรรค์นั้นมีร้อยชั้นรอหัอักวัตในสวรรค์มีกี่ชั้นนะร้อยชั้นเวลาพี่น้องขอดุงอาณานะบีสั่งให้ขอสกขอให้ไปอยู่ในชั้นที่ สูงที่สุดเรียกว่าชั้นเฟรดดิลเรื่องที่สามต้นไม้ในสวนสวรรค์แล้วก็มองต้นไม้ที่อยู่หน้าบ เ, เรากันแล้วกันต้นเล็กๆเกสองเกสามเก็หมดแล้วใช่ไหมแต่ต้นไม้ในสวนสวรรค์ขนาดขีม่ม้าวิ่งวิ่งใต้ต้นไม้นะ่ะร0อยปีวิ่งร้อยปีนะ่ะกว่าจะพ้นเขตของต้นไม้อะเล็กหรือใหญ่ อัลลอฮฺอักัร้อยปีแต่เราอายุเท่าไหรในดวงยาเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบแล้วที่ขีมาขนาดขีมานะร้อยปียังไม่พ้นเลยต้นไม้ต้นหนึ่งของอัลลอฮยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยภาพเป็นลองนึกภาพอกแล้วกันข้อที่สีนะครับประตูของสวรรค์มีทั้งหมดแปดประตูประตูสวรรค์มีทั้งหมด8ดประตู หนึ่งชื่อประตูสวรรค์รอยยานเขาเขียนไว้เนี่ยรอยยานประตูสวรรค์บานนี้คนที่ถือศีลอดเข้าเฉพาะต่อมาครับประตูบาบุสซาลามีอีกเฉพาะคนที่นามาเข้าประตูบา น, นี้ บาบุลจิฮาตประตูคนที่ออกทําสงครามปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แล้วตายเข้าประตูบานนี้บาบุสโดตอกออีกบานหนึ่งประตูโดตอกอคนที่มีสตังบนโลกดุญญาใบานี้ทําบุญจ่ายอากาศจ่ายโดตอกอทําพอดียะทําวาคาบเข้าประตูบานนี้มีกี่บานครับหนึ่งรอ ย, ยานถือศีลออดสองประตูนมาต์สาประตูจิฮาต์ี่ประตูโซตอกอ นี่เขาเล่านาบีเล่าให้แค่แค่สี่ประตูเองทั้งหมดมีอยู่8ปดประตูละละประตูเดียวละประตูเนี่ยไม่ใช่สองกิโลพี่น้องมันใหญ่ยังกว่าการนาต้นไม้น่ะขี่ม้าต้องร้อยปีในพี่น้องกันหลายครับเอาเรื่องที่หกพี่น้องคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ในในสวรรค์นั้นมีปราสาทมีปราสาทมีมีพระราชวังด้วยใครจะอยู่ กับพูเราที่แล้วอิชัลนละข้อที่เจในสวรรค์มีมีเต้นไม่ใช่เต้นอย่างนี้มันทํามันเต้นอยู่แบบหนึ่งกันนะอ๋อพี่น้องเต้นในสวนสวรรค์นะอาจจะอยู่จะเลือกอยู่เต้นหรืออยู่อยู่ในปราสาทเอาเชิญแล้วก็เต้นนี่ทำมาจากลุลุทํามาจากไข่มุกนึกภาพอลออาจารั์รรเต้นทํามาจากไข่มุกและไข่มุกแพงก็ถูกต่อมาครับข้อที่เก้า ในสวรรค์นั้นทุกวันศุกร์จะมีตลาดบางที่เราเบื่อต้องการจะเดินตลาดบ้างเพมเคยเดินตลาดซีคอนได้บ้าตลาดซูปเปอร์ก็อะไรในสวรรค์ก็มีตลาดให้อาทิตย์ละครังนะให้เดินข้อที่สิบมีต้นไม้ต้นไม้นั้นนะครับพี่น้องเขียวเชืออุ่มไม่มีหนามข้อที่สิบอ็ ในสวนสวรรค์นั้นมีผ ล, ลไม้อลลอฮฺออับบัดพี่น้องมีผ ล, ลไม้ให้ทานให้เลือกเอาเต็มไปหมดเลยนะครับข้อที่12พี่น้องในสวนสวรรค์มีมีแม่น้ำอัลฮัมิลลาข้อที่1 4ข้อที่13มีตาน้ำไหลออกมาข้อที่ส5บห้ามีอาหารอัลลอฮฺมีนูอาหารในี่เต็มไปหมดพี่น้องนึกภาพไม่ได้นะครับอร่อยมากเลยครับ ข้อที่สิบหกมีเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ใส่แล้วไม่เก่านะครับไม่ต้องซัดด้วยอัลลอยุลเลาะห์ใส่ไปตลอดข้อที่สิบเจ็ดมีคุดดา ม, มีคนบริการดูแลช่วยเหลือเราอัลลอฮฺอักบตแต่แต่งตัวสวยอัลลอุลลาะห์ข้อที่สิบปดมีผู้หญิงเอาไว้ดูแลผู้ชายเอาคนธรมธรมดาธรรมดานี่นะครับ ให้มีภรรยาสองคนเอาป่าอย่าไปนึกดุนยาดุนย า, ญญาโอ้โหพาเข้าบ้านไม่ได้ลูกดาแต่ที่นั่นไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาไปน้องนิสาอุจจนานภะรรยาจะเอากี่คนก็ได้แต่ที่ให้แน่แน่เนาะสองคนถ้าจะพอพิเศษเอลัลลอฮ์ชั้นพิเศษหน่อยเอามาเอาไปห้าคนแต่ทะเลาะกันมีไหมไม่มีเถียงกันมีไหมไม่มีเพราะอาลัลลอฮ์ถอดออกวงแล้วเอาอารมณ์ อะไรนะอารมณ์อะไรนะอิจฉาดิษยาผูกพยาบาททอดออกหมดแต่ขณะนี้อัลลอฮ์แปะไว้คนละนิดๆในหัวใจจะดูว่าใครบ้างที่เดินตามอัลลอฮ์และใครบ้างที่เดินตามไชตอนพวกเราแพ้ไชตอนแพ้ไชตอนพี่น้องเอาต่อมาข้อที่สิเก้าพี่น้องครับเขารูไหนอันนี้ล่ะไอ้นีซาเนี่ยหมายถึงพายาเราที่อยู่ในสวนสวรรค์พายาที่พาจากโลกดุริยาไป ดีเปล่าหรือไม่เอาแล้วบางคนไม่เอาฉันดุนยาไม่เอาแล้วมีคน เ, เอาเมียใหม่แต่รู้ปล่านาบีสอนว่าไงรู้ไหมภรรยาเราบนดุนยาใบนี้เมื่อเข้าสวรรค์แล้วสวยกว่านางชาวสวรรค์อโนบิดันดารีสวยกว่าอโนบิดันดารีสวยเพราะอะไรครับเพราะร่องรอยของการอาบน้ำนำมาสสวยเพราะปากอ่านอัลกุรอานสวยเพราะนางถือศิลโอด สวยพระนางซิกรุลลอสสวยตรงนี้ท่าหข้อที่ยี่สิบริดวานุลลอฮ์เราจะพบกับความโปรดปรานความพึงพอใจของอัลลอ์รู้ไหมของที่ประทับใจมากที่สุดไม่มีอะไรเท่ากับอัลลอฮ์สัลามสาลามัสาลามอัาลาาลอ์าลามนะสาลามอัาลล์ ปลื้มใจที่สุดเลยเมื่อได้ยินเสียงพระพักเสียงของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลลาญย์เยสวรค์อัลลอฮ์ให้สลามครับพี่น้องแล้วข้อที่21่สนะครับพี่น้องเห็นอัลลอฮ์เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลาเห็นพระพักอัลลอฮ์เนี่ยลืมหมดเลยอ่ะมันสุดยอดของชีวิตได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์เอาแค่ยี่สบอด น, นะเดี๋ยววันลันค่อยๆทยอยออกมา องางแสดงว่าในสวรรค์มีจริงไหมสวรรค์มีจริงครับนั่นเราบิลีฟเราเชื่อทันเปอร์เซนต์ว่าตายแล้วพี่น้องมีอยู่สองที่อยู่ไม่อยู่ในนรกก็อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลต่อมาครับอายาที่60สิบザลิกวาวะมันอาขับบิมิสลิมาอูิบบิ สุ่มมะบุ ع َ ل َอัลเลาะห์ลายันซุรันน้าฮุลลาห์อินนัลลาห์ฮะลักรฟูุนรฟูุร ذلك و من عقب ب, ب مثل ما عوقب ب عوقب به ثم بُغِيَ عَلَيْهِ ل א ينصرنه الله إن الله لا غفور غفور لا عفور غفور لا عفور غفور الحمد لله แปลนี้พูดถึงเดือนเดือน4เดือน ที่อัลลอฮ์ห้ามสงครามห้ามทําสงครามนะสเดือนนะมีอะไรบ้างดุลกิอาดะดุลฮิจญะมุฮัรลัม uh รอจับห้ามทําสงครามตอนนี้พวกเราเนี่ยเอาเดือนมุฮัลรอมมาเดือนเดียวคนไทยเนี่ยนะตัวย่อสอนเดือนมุฮัลรอมเนี่ยห้ามแต่งงาน ควมุฮัรรอมแปลว่าห้ามเขาเลยห้ามหมดเลยห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านห้ามปลูกซ่วมห้ามทําความดีห้ามหมดเลยพี่น้องนี่มันอะกีดาชิอาอะกิดาชิอาเน่ยลอบเข้ามาเนี่ยลอกมาโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองก็ลอบชาวบ้านมาผิดๆนะที่นบีห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามผ่านนบีห้ามไม่ให้ทําสงคราม แต่ถ้าหากว่ามุสลิมถูกกระตัแก่เนี่ยจับอาวุธต่อสู้ได้อาญาณิดูครับซาลิกะซาลิกะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละาการตอบแทนของพระองค์นะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เล่าเรื่องอายะที่แล้วมานะคนที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์คนที่ปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์เวลาเขาตายหรือถูกฆ่าเขาได้ไปสวรรค์ แล้วก็อัลลอฮ์ามาเน้นอีกซาลิกะการตอบแทนของพระองค์เป็นอย่างนี้แหละมีแต่เรื่องดีดีดีดีๆทั้งหมดสําหรับคนที่มีศาสนาคนที่เป็นห่วงศาสนาคนต้องการให้มุสลิมเนี่ยรับอัลอิสลามเพิ่มขึ้นคนที่คิดแบบนี้สม่ําเสมอการตอบแทนของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาต่อมาครับวามนากบผู้ใดที่ถูกรังแก อาเอากีบ้าแปลว่าถูกรังแกว่ามันอาอาก็บ้านี่แปลว่าแก้แค้นอาก็บ้าแปลว่าแก้แค้นว่ามั่นอาก็บาผู้ใดที่เขาแก้แค้นบีมิสลีเยี่ยงที่เขามาเอากีบ้าบีฮีถูกข่มเหงถูกกงแกถูกแกล้ง ตกลงว่าคนที่ถูกแกล้งเนี่ยจับอาวุธต่อสู้ได้ไหมได้ทั้งๆัที่อยู่ในเดือนต้องห้ามก็ตามมฮัลรอมครับเป็นน้องเดือนมฮัลรอมเป็นเดือนต้องห้ามห้ามแม้ทำสงครามแต่พวกเราตีความหมายผิดนั่นตก่าวอัสตัคฟิรุลลอห์ฉันทำผิดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยอัลลอ์เปิดโอกาสนะครับผู้ใดหรือมุสลิมคนใดที่ถูกข่มเหง เอกีบาแปลว่าถูกข่มเหงเอากีบ้าถูกรังแกเอกีบ้าถูกกันแกล้งทำไงครับให้เขาแก้แค้นแก้แค้นเท่าไร be misly เยี่ยงที่เขาถูกรังแกอย่าทำเกินทำน้อยได้ไหมดี <Be. S 1> ทำน้อยดีไหมดี ทำเท่าโดยเขารังแกเดี้ไหมได้อนุญาตทำเกินได้ไหมไม่ได้นี่อิสลามอ่ะนายว่าโหดได้หรออิสลามเป็พู้ก่อการร้ายที่ไหนเข้าใจผิดท่านใส่ร้ายนี่ขนาดถูกรังแกอัลลอฮ์สั่งบอกว่าให้แก้แค้นได้ขนาดนายบีมิสลีมาเท่ากับที่เขาแก้เราเขาตีเราสองทีเราก็ตีเขาหนึ่งทีก็ได้สองทีได้สามทีได้ไหมไม่ได้ เห็นยังครับในอิสลามอ่ะอสลามเป็นศาสนาที่สงสารคนเมตตาคนไม่ได้มาทำร้ายรังแกใครเลยพี่น้องแต่ถ้าหากว่ามุสลิมถูกรังแกเนี่ยอนุญาตให้แก้แค้นได้แต่ไม่แก้แค้นดีกว่าไหมไม่แก้แค้นดีกว่าให้อภัยดีไหมดีแต่ถ้ามันไส้อดไม่ได้อยากจะแก้แค้นก็แก้แค้นได้เท่าที่เขารังแกเรานะครับเกินกว่าได้ไหมไม่ได้เห็นยังครับ ว่มันงากบบิมิสลิมาอุกบบิฮิอัลลอหุอะลัยฮิส่างครับอนุญาตให้แก้แค้นได้แต่ให้แก้แค้นเฉพาะที่ถ <breakdown> <deuxième> ูกรังแกอย่าเกินกว่าอย่าท้ามกว่าเกินเหตุนะครับต้องต้องอดทนต้องสะบัดหมดเลยครับต่อมาครับซุมมาบุรียาอหลและต่อมาถูกกดขี่อต่อมาถูกกดขี่อีกพี่น้อง ถูกเล่นงานอีกทำไงครับก็ก็ปล่อยอยไปบ้างก็ได้มมนต้องไปแก้แค้นหรอกเห็ไหมลายม์ซุรอนนะฮุลลอตรวนี้ดีนะลายม์ซุรอนนะฮุลลออัลลัลอบัดแน่นอนอลัลลอฮจะทรงช่วยเขาคนที่ถูกรังแกเราเนี่ยแก้แค้นมาแล้วทีหนึ่งมันกลับมาเล่นงานเราอีก ทำไงครับอารล่าลายอนซูรอนนาฮลลอแน่นอนอาราจะส่งช่วยเขาช่วยคนที่ถูกรังแกเช่นอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยบรรดาสวบาบานนบีถูกรังแกมาตลอดเนี่ยนบีเคยจับอาวุธสู้ไหมไม่สู้หนีบ้างอะไรบ้างเห็นไหมมันหนักจริงๆก็ประกาศสงครามอ่าเพราะสงครามของนบีมีสวบาบานออกไปเช่น สามร้อยคนของเขามาสามพันคนมันน่าจะแพ้เพราะว่าสามรอต่อสามพันกับชนะนี่ไงลายอมซูรอนนาหุลลอและอลัลลอฮ์จะส่งช่วยเขาให้ชนะในสงครามท่นั้นนี้น้องครับหัวใจต้องผูกพันกับอลัลลอฮ์จริงๆนะถึงอลัลลอฮ์จะช่วยเราไายรางลเล่เล่เ ล, เ, ลเท่เท่นามายก็ไม่ครบอลัลลอฮ์ก็ช่วยเหมือนกันแต่ช่วยไม่มากหรอเพราะเราอ่อนแอกับอลัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตอลา โอ้นี่ดีไหมอาญานี่ดีไหมดีให้เราแก้แค้นได้แต่อย่ากแก้แค้นเกินเหตุนะครับแต่ให้อภัยดีไหมแน่นอนที่สุดดีอินนัลลอฮ์ละอาฟุนแท้จริงอินนาเป็ว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นมีสิฟธตอะไรครับอันอันแรกที่ผ่านมาเนี่ยอลีมุนทรงรูแล้วก็อะไรนะ ฮาลิมุนทรงอดทนนี่สิฟัตที่สามอาฟูวุนทรงลบล้างความผิดทรงลบล้างความผิดใครบ้างที่ไม่มีความผิดมีความผิดด้วยกันทุกคนฉะนั้นต้องขออนุอาต่อรอเมื่อเรารู้ว่าเราผิดอย่าดันอย่าดันทุรังนะครับอาฟูวุนผู้อลัลลอฮ์มีสิฟัตผู้ทรงลบล้างความผิดข้อที่สอง กอฟูรุนผู้สงอภัยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนาบีสออย่างนี้นะกุลมะสรุปชีวิตบอว่าคนที่โชคดีที่สุดคนที่โชคดีที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ใช่มีเงินครับไม่ใช่มีเมีสวยไม่ใช่มีบ้านใหญ่ไม่ใช่มีรถขับไปน้องคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตต้องมีสามรายการจะต้องบันทึกไปเลยนะ ต้องมีสามรายการเท่านั้นถึงจะมีความสุขที่สุดชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้และหลังตายอย่สงสง่างามหนึ่งเวลาเขาได้รับเนี่ยมัา จ, จากอัลลอฮ์มาเมื่อได้รับเนี่ยมัาจากอัลลอฮ์มาเขาขอบคุณ AH. อัลลอฮ์อ้าวได้รับเงินมาล้านหนึ่งนึกอะไรก่อนครับปะกาศก่อนเลยล้านหนึ่งเท่าไหร่ครับสอง หมื่นห้าใช่หรือไม่ใช่ล้านละสองมืนห้านึกก็ได้นึกจากาศก็นึกถึงคนจนก็เนี่ยคนนี้เป็นคนที่อัลลอฮว่าคุณนะี่เป็นคนที่โชคดีที่สุดเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเรื่องที่สองเวลาได้รับมูซีปะไม่ใช่วยวว้นะทำไรครับอดทนซอบารอมีฟิตนะและฟิตน้ามีไหมมีตลอดเวลา บางทีวันหนึ่งอาทิตย์นี้มีมีเรื่องมาอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วอัลลอฮ์ตั้งสติไม่ทันเลยต้องทําไงครับโวยวายหรือดา่าไม่ต้องด่าใครทําไงครับซบัดอดทนอดทนไปเนองเวลาได้รับเนี่ยามาดทาไงนะขอบคุณเวลาได้รับความเดือดร้อนอดทนโวยวายได้ไหมจะไปโวยวา ย, วายไปเนาะสุยุตอลัอลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันมีปัญหาช่วยแก้ฉันหน่อย ข้อที่สามครับเวลาทําอะไรผิดทําไงเต้าบ้าตัวต่ออะไรรุนคนถ้ามีสามรายการนี้นะเขาเป็นคนที่สง่างามบนโลกดุยยาใบนี้ใครบ้างที่ทำอะไรไม่ผิดมีไหมผิดเมาชาเนี่ยผมเดินเข้ามัสกีนเนี่ยเท้าซ้ายก่กนนึกมาแล้วเนี่ยวัดต้องเอาเท้าวขวาเข้าตอนนี่รองเท้าพอถอดรองเท้าเนี่ยแล้วเท้าซ้ายเข้าก่อน อัสตะกฟิรุลออัสตะกฟิรุลอน้องต้องนึกนะทำอะไรผิดต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานฮวะตาลอยามอีกครั้งเลนะคนที่มีชีวิตที่ดีที่สุดให้มีสามรายการหนึ่งเวลาได้รับเนียมรดความโปรดปราจากอัลลอให้ขอบพระคุณสองเวลาได้รับความเดือดร้อนให้อดทนเมื่อทำความผิดให้ รีบเตาบะาตัวต่ออัลลอฮ์ความผิดระหว่างเรากับมนุษย์นี้ไหมเรากับภรรยาเรานั่นแหละเคยขอมาอัฟกันไหมไหนถามฉันขอโทษนะสามีไม่กล้าพูดเหมือนกันกลัวจะเสียฟอร์มนะภรรยาก็ไม่พูดนะอ่ะฉันขอโทษจนทําผิดไม่กล้าพูดกลัวทํำไมผิดก็ผิดขอมาอาัฟก็ยิ้มกันจับมือกันก็จบได้ไหม บางคนหืมเสียฟอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาพี่น้องเอาข้อที่หกอายาที่หกสิบเอ็ดนะพี่น้องเออในสวรรค์เนี่ยเห็นมาลายิกาด้วยนะรู้ไหมมาลายิกาเนี่ยยิบรี น, นมีอยู่กี่ปีครูบหกร้อยปีกนึกภาพเลยนึกยังไงหกร้อยปีในพี่น้อง เราเห็นรถปีกเดียวใช่ไหมสองปีกซ้ายขวานั่นหกร้อยปีใครเล่านาบีเล่าให้ฟังในสวรรค์จะเห็นยิบรีนมลายการยิบรีนหกร้อยปีที่ขึ้นข้างบนห้าร้อยปีเวลาที่เรานามันลงมาอีกห้าร้อยปีถ้ายิบรีนตัดเดียวลงปั๊บเดียวขึ้นนะอ่ะโลกอวกาศมันเกินความสามารถที่เราจะจินตนาการแล้วนะ่ท่านเชื่อยอย่างเดียวไปน้องมลายการมิตรหลายหกร้อยปีอันห้ามจะเรียพอ มียังไงไม่รู้ทัานเชื่อแบบนี้แหละห้องดุลลยหะอายาสุดท้ายนะครับพี่น้องจัลิกะบินัลลอฮยูลิจุลนลイル في النهر ويولج النهر في الليل وأن الله سميع بصير ذلك ์ ال بأن الله ي الل و ل ล الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير الحمد لله นี่มาจากอัลล์นะกุรอานนี่นะไม่ใช่คิดเองนะอามาดูความหมาย ذلك ซาลิกาข้างบนเนี่ยการตอบแทนของพระองค์ เ, เป็นอย่างนี้แหละแต่ซาลิกาตรงนี้มีความหมายอย่างนี้นั่นเป็นเพราะอัลลอฮ์นี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเรื่องดังต่อไปนี้เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ซาลิกาอ้าวความสามารถของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างเนี่ยอัลลอฮ์ยกตัวอย่างให้เห็นนะบิอันนอโลแท้จริงพระองค์ ทรงให้ยูลิยูแปลว่าลอดเข้าลอดเข้าอะไรล้กลางคืนฟินนาฮารีกลางวันอลัลลอ์เนี่ยสามารถให้กลางคืนเนี่ยลอดเข้าไปอยู่ในเวลากลางวันลอดเข้าในกลางวันคือให้มีการอะไรนะ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมีกลางคืนมาแล้วก็มีกลางวันมีกลางวันแล้ะมีกลางคืนใครทำครับอัลลอฮ์โคโจรข้างบนนูนน่ะชันฟ้าพี่นอ้องแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรานึกไม่ถึงอะ่ะให้มีกลางวันกลางคืนใครครับนี่คือความสามารถของอัลลอฮ์สุภานาหวตาล้ใครทำได้ อัลลอฮฺอักบัเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะจาลีกา น, นี่เป็นความสามารถของอัลลอ์นะที่ทำให้กลางคืนเนี่ยลอดเข้าในเวลากลางวันต่อมาครับวายูลียุนนาะรอฟิลัยและทรงให้กลางวันเนี่ยลอดเข้าในกลางคืนให้สลับเปลี่ยนกันกลางวันนี่ทำใ้กลางคืนอย่างเดียวอย่างบางประเทศเนี่ยมีแป๊บกลางวันแคส่สองชั่วโมงประเทศไหนมุมัดอะมัด นอร์เวย์อัลลอฮ์จะถือบวญก่อนละบาจันนามาตก่อนละบาแต่พวกเราอยู่ในอเอเชียเนี่ยหลามดูลีลาสบายมากครับพี่น้องแต่พี่น้องอยู่ทงนู้นน่ะเขาอยู่ยังไงพี่น้องเราไปลองโทรศัพท์พไปคุยเขาอู่สุเป็นยังไงบ้างนะทําไมอัลลอฮ์เล่าเรื่องกลางคืนกลางวันกลางวันเข้ากลางคืนกลางคืนเข้ากลางวั น, วนอธิบายอย่างนี้อุลมามะอธิบายดีนะ กลางวันเนี่ยเปียบเปียบเทมือนพี่น้องมุสลิมกลางคืนนั่นอยู่ในที่มืดกลุ่มไหนครับกลุ่มกาเฟ่มุสลิม ก, กาเฟรินยัคูดี น, นัสซอรนีกลุ่มมุสลิมอยู่ในเวลากลางวันอธิบายอย่างนี้ครับบางประเทศอัลลอฮ์ให้กลางวันยาวกว่ากลางคืนมีไหมที่เรานี่มีใช่ไหมเมืองไทยนี่มีนะ บางทีกลางคืนยาวกว่ากลางวันและบางคืนบางบางเดือนบางปีก็มีอยู่บ่อยๆนี่นะกลางวันยาวกว่ากลางคืนใครทําได้ต้องการจะอธิบายว่าบางประเทศมุสลิมเยอะบางประเท ศ, ม, ม, เเเทศมุสลิมน้อยบางประเทศมุสลิมเยอะกาเฟ่ตน้อยบางประเทศมุสลิมน้อยกาเฟ่ตเยอะใครทําครับนี้ อ, อัลลอฮฺทำนะไม่ให้เราหลงตัวเอง ต้องการจะเตือน ว, ว่าถ้าต้องการจะให้เมืองไทยนี่มีคุณมีคนพูดว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคนจะรับนับถืออันอิสลามเพิ่มขึ้นฝรั่งเศสก็ทํานานกันแล้วว่าจะมีกลางวันยาวกับกลางคืนอธิบายไงครับจะมีมุสลิมเยอะกว่ากาเฟสเห็นไหใครอธิบายนี่อัลลอฮ์ سبحانه และเต็มให้เราใช้ปัญญา กลางวันหมายถึงมุสลิมกลางคืนหมายถึงกาเฟ่บางทีกลางวันยาวกลางคืนสั้นกับการจะอธิบายน้นะนะมุสลิมเยอะ ก, กว่าปกครองประเทศนั้นไม่ให้กาเฟ่ปกครองเพราะให้กาเฟ่ปกครองมานานแล้วไม่ได้สร้างความเจริญเลยมิจะเสียหายทำลายมีเหล้ามีเบียร์มีดีนามมีบาร์มีไนครับเอามุสลิมไปปกครองเปลี่ยนจากบาร์มาเป็นมัสยิดมัสยิดเป็นเรียน อัลลอฮฺเป็น้องครับนี่งนยุลีจุลไลเฟินหน้าหาิวายุลีจุนนาฮะเราฟินเลยอัลลอฮฺถ้าไม่อ่านตั้งสิไม่รู้เลในนี้มีคําแฝงอธิบายอยู่กระจายนะกลางวันหมายถึงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺกลางคืนหมายถึงผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอยู่ในที่มืดมุสลิมอยู่ในที่สว่างเห็นไหมบางทีมุสลิมของประเทศ บางทีให้คนกาฟเฟตมาคออลองเราก็จะเล่นงานนะ่ะเอ็งปกครองมากี่ปีแล้วแล้วเป็นไงครับไม่ได้ดีตรงไหนแล้วเมานาอาพุลัสันไปประเทศอเมริกาไปอยู่มาเป็นเดือนน่ะพอกลับมาถึงอินเดียนะเขาก็เล่าบอกว่าฉันไปยุโรปไปอเมริกาฉันเห็นอิสลามเยอะแต่ไม่มีมุสลิมอธิบายยังไงมีหลักการอิสลามเยอะมาก แต่คนมุสลิมไม่มีพอกลับมาประเทศอินเดียมุสลิมเยอะไปหมดเลยแต่อิสลามไม่มีหลักการอิสลามไม่มีอัลลอแสบนะด่าแสบมากเลยครับแล้วกมานาบูซันพูดอย่างนี้อเมริกาเอ๋ยท่านเนี่ยเอากฎหมายของนบีอีสาหรืขอของกลุ่มนัสลรรีที่ไม่ใช่ น, น บ, บีอิสราห์แท้ๆนะนะเอามาปกครองประเทศแล้วมันจะเรินไม่ล่ะ วัฒนธรรมยิ่งตามลงเบียร์เพิ่มขึ้นซีนาเพิ่มขึ้นค่ากันเพิ่มขึ้นลองเอาสูนานอบีไปใช้ดูซิการค่าจะมีไหมเบียร์จะมีไหมเหล้าจะมีไหมซีนาจะมีไหมอู้หูสอนดีมากดีมากเลยเพราะฉะนั้นยูหรือยุนเอัลลอฮ์ให้กลางวันรอดเข้าไปอยู่ในกลางคืนแล้วก็ให้กลางคืนรอดไปในกลางวันอธิบายนครับอธิบายว่าบางทีกลางวันมันมียาแล้วก็มีสั้นกลางคืนมียาวมีสั้นต่อการจะอธิบายว่า บางประเทศมีมุสลิมเยอะบางประเทศมุสลิมน้อยบางประเทศกาเฟสเยอะบางประเทศกาเฟสน้อยอย่าง บ, างบาง้านเราเมืองไทยเนี่ยใครเยอะกว่ากันกาฟเฟสเยอะกว่ามุสลิมน้อยรังอย่าถูกอย่าอย่าให้อย่าเอาวัฒนธรรมของคนกาฟเฟสมาใช้ในชีวิตประจําวันให้ยึดอะไรอัลลอฮ์สุนานะนบีอัลกุรอานมาพัฒนาชีวิตของเราอัลลอฮฺอัลลอฮต่อมาครับว่าอันนลลอ ฮะสามีอุมบัีซิร์ وأن الله และแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้นิสิฟัตเท่าไหร่นะอันที่หนึ่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรู้แล้วก็ทรงอดทนสิฟัตที่สามอาฟูวนทรงลบลบล้างความผิดอาฟูวนทรงอภัยสี่แล้วนะห้า อัลลอฮฺสามีอุนทรงได้ยินแล้วก็บาซีรุนทรงเห็นอัลลอฮฺนั่งอยู่บนสถิตอยู่บนบันลังของอัลลอฮฺบนชานฟ้าแต่อัลลอฮฺเห็นหมดเลยว่าวันนี้มีคนมานั่งเรียนตัมซีเนี่ยกี่ร้อยมัสยิดเนี่ยรู้รู้หมดแล้วก็ได้ยินหมดเห็นหมดว่า น, นั่งคุยกันหรือเปล่าหลักกันหรือเปล่าเห็นหมดเลยกายพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในบ้านมาสองคนภรรยาทานมาอัลลอฮฺรู้หมด เพราะฉะนั้นอย่าเดินแก้ผ้าอย่าเดินแก้ผ้าในในบ้านท่งท่งท่ง ท, งทงอย่าเชิญเาลาเราจะอยู่ในห้อง ล, ลับๆกับภรรยาไม่มีปัญหาอนุญาตใม่ได้แต่มาลัยกาบอกว่าเชิญตามสบาฉันไม่ยุ่งนะมาลกยกาออกมาห่างอะ่ะมีอยู่สองที่ที่มาลกยกาไม่เข้าไม่เข้าเราเปิดให้เราอยู่อิสระนะสองที่ตอนอยู่ในห้องน้ํา กับกำลังให้ร่วมหลับนอนกับภรรยาทํ ท, ทสซัตตก้อกับภรรยาอยู่เปิดโอกาสสองที่แค่นั้นอุลมาม่าบอกว่าอยากคุยกันขณะที่ให้ความสุขกับภรรยามาเลกาอ้ามคุยอะไรกันเขจะบันทึกไม่ได้อะอัลลอฮฺอากราแต่ว่า I love you ฉันรักเธอมากพูดทำไมมาเลกาฉันจะบันทึก <laughs> เนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับพี่น้องเอาสรุปอายาสุดท้ายอายาที่61เนี่ยสอนดีไหมสอนดีสอนอย่างนี้ครับอัลลอฮ์นี่นะครับจะยกใครก็ได้จะลดเกียรติใครก็ได้จะทำร้ายใครก็ได้จะยกย่องให้เกียรติใครได้หมดเลยครับแม้แต่กลางวันกลางคืน ประชากรน้อยประชากรมากอยู่หน้าที่ของอัลลอ์ทั้งหมดมุสลิมจะเพิ่มหรือลดอยู่ที่อัลลอ์สุบฮานาววตาแหละอัลลอ์จะให้เกียรติใครยกย่องใครนะครับเป็นความสามารถของอัลลอฮ์ทั้งหมดอาต่อมาครับกวานลอฮัสามีอุมบาซีตและแท้จริงอัลลอ์ทรงได้ยินทรงเห็นอัลลอ์จะทรงจัดการผู้ที่รังแกนี่ไงเมื่อมุสลิมถูก ถูกรังแกเนี่ยถ้ามุสลิมอ่านอญญาย่านี้วรกนี้นะว่าอัลลอฮฺจะมีอุนบาซีดอัลลอฮ์เนี่ยจ้องมองดูอยู่นะเมื่อเราถูกรังแกเราไม่แก้แค้นเราให้อภัยเนะี่ยเป็นไงครับเดี๋ยวอัลลอ์ะจะแก้แค้นแทนเราเองเพราะอัลลอฮะมีอุนอัลลอ์ทรงได้ยินบาซีรุนทรงกดทีอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงเห็น ว่าเราเนี่ยถูกกดขี่รู้ไหมอัลลอ์รู้ตลอดเวลาทำไมอัลลอฮ์ไม่เล่นงานแล้วล่ะอัลลอฮ์ประวิงเวลาเพื่อให้คนที่กดขี่นั้นกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มาเรียนศาสนาก็จะเป็นมุสลิมมาช่วยงานศาสนาของอัลลอ์ต่อไปท่านมุสลิมต้องอดทนเยอะนะต้องอดทนแค่ต้องอดทนต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนนอนมุสลิม سبحانك ALLAHumma bihamdi kashfala illa illa Anda astakfiruka wa tabiilaik وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته